ที่เข้าสู่สมาธิใช่ไหมฮะตอ น, นเข้าสู่ตรงเหมือนว่าทําสมาธิเป็นขณิกาแล้วก็มีปีติเกิดขึ้นเป็นาาอุคจพระเจ้าอภแต่ละชั้นชั้นจนแบบหูไม่ลาคาญในเสียงนะครับหูไม่ใช่ใจอะไม่ลาคาญในเสียงที่อยู่ข้างนอกแต่ว่ามีเสียงใจก็คืออยู่สดใจก็คือเอ<ช>นจอยแยกกันจากนั้นจนเข้าไปสู่ในอีกโหมดหนึ่งคือโหมดเนี้ยผมได้แค่ครั้งเดียวคือที่ลึกๆ ก, ก็คือหูดำ แ, แค่ครั้งเดียวแต่ว่าค ทุกๆครั้ที่ผมปฏิบัติก็คือจะเข้าสู่ที่หูไม่ลําคาญเสียงคือมันจะแยกเป็นเลเยอร์ว่านี่คือรูปเวท น, นาสัญญาสังขารมันจะเห็นเป็นตั้งตัวผู้รู้จะเด่นดวงเกิดขึ้นค่ะตัวผู้รู้เด่นดวงเกิดขึ้นแต่ว่าบอกว่าให้จ้องในติวตัวผู้รู้แต่ว่าผมไม่ใช้อย่างนั้นมเมื่อผมเห็นสัญญาที่ว่าผมก็ไปมองในสัญญาคไปไปพิจารณาในสัญญาว่าสัญญานี่มาแต่ไหน สัญญาเนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขจังทุกครั้งกันแล้วตาไหมมันจะมีสองใจตอบกันฮรับตอนระมังนั้นใจหนึ่งก็คือเข้าใจว่าสัญญาเป็นเราถามว่าหาคำํคำคําตอบจากอีกใจที่บอกเข้าใจสัญญาเป็นเราถามใจตัวนั้นว่าสัญญาเป็นเราได้ยังไงถาม ม, มันพยายามหาเหตุผลมาอ้างเองว่าสัญญาเป็นเรานี้แต่ว่าเมื่อเราถามคำถามไปเรื่อยๆจนอีกใจตอบไม่ได้มันก็จะลักสัญญาว่าไม่ใช่เรา มันละสัญญาไม่ใช่เราไปเนี่ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยสัญญาไม่ใช่เราจริงๆนะเพราะว่ามันถามไปเรื่อยๆเลยมันก็จะเจาะ ล, ลงไปลงไปลงไปลงไปจนไปถึงกายจนไปถึงเขาเรียกว่า อ, ยอะยะ า, ายตยาอายตนะภายในไปถึงตาใช่เอาความความจำมั่นหมายเนี่ยสัญญาเนี่ยมันมาจากตานี่จะไปรู้อย่างไงเอาแล้วตาเนี่ยมันไม่ใช่ความจำมั่นหมายใช่ไหมถามตอบ บอกว่าไม่ใช่แล้วมันมาจากไหนโอ้มันมาจากข้างนอกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะรัศมีสัมผัสเอ้าใช่สิลูกเสียงกลิ่นรสนี่คืออะไรถามต่อลูกเสียงกลิ่นรสก็คือมาจากสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติอย่างก้อนหินใบไม้คนสัตว์สิ่งของเหล่านี้ย่ใช่มันเป็นสังขารที่มันปรุงแต่งอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นปรุงแต่งให้เป็นคนปรุงแต่งให้เป็นต้นไม้ปรุงแต่งอะสิ่งเหล่าเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้ไหมมันเป็นมอุษย์ไหมถามเข้าไปอีก คุณคน้คนเขาไปก็ไปเจอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ธาตุดินน้ําลมไฟที่ตัวแตกขึ้นมาอเออใช่แล้วก็ถามเข้าไปอีกดินน้ําลมไฟนี่มาแด่ไหนลมไฟก็เป็นธาตุที่ประกอบประกอบกันขึ้นจากธาตุเล็กๆที่เป็นธาตุตั้งเดิมแท้ๆธาตุธาตธาตของมันอนะไม่ใช่ดินจริงๆดินก็ไม่ใช่ดินอะไรอย่างอื่นมาประกอบน้ําก็ไม่ใช่น้ำ อ, อย่างอื่นมาประกอบจนหาจนเจอว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายมันมีของมันอยู่เป็นธาตุของมันอย่างนั้นแหละ แต่ว่าที่เราคิดไปเองสัญญาเป็นเราเนี่ยเราไปปรุงแต่งจากธาตุเหล่านั้นให้มันมาเป็นเราเรายึดจากธาตุที่มันอยู่ข้างนอกสัญญาไม่มีอยู่จริงสัญญาคือจาําธาตุแล้วก็ให้มันมีใช่ก็คือการ<ะ>บริโภคเป็นทอดทอดทอดไปอ๋<ะ><ะ>อเข้าใจงี้ก็เลยละเป็นทอดทอดทอดไปจนถึงกายเมทนาสัญญาสังขารแล้วก็รู้ว่าวิ ญ, ญญาณที่รับรู้สิ่งเหล่านี้ยวิ ญ, ญญาณปลอม เข้าใจแบบนี้อ๋อก็เลยเข้าใจว่าการพิจารณาก็คือเมื่อจิตเด่นดวงเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารปรากฏชัดที่มันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆั้นไปเราจะใช้ปัญญาในตรงนั้นที่จิตมีสมาธิปานกลางหรือว่ามีกําลังพอไม่ตกไปในนิวรณ์นิวรณ์จะไม่เข้าเข้ามาใ น, นระหว่างนั้นก็เอาไปพิจารณาในในขั้นขั้ น, นต่างๆที่เราเห็นนะเป็นเอาอวินิจังทุกความอ น, นัตตานใส่เข้าไปคําคําสอนของพระสมส ม, ส ม, ส ม, สมาจัมพชยเจ้า เป็นตัวนำทางจิตที่จะไปถามไปเรียนรู้สังขารทั้งหมเขาเรียกอะไรน ะ, ะขันห้าที่มันปรากฏ อ, อยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็จะได้ปัญญาแล้วก็จิตก็จะได้จิตก็จะตัดไปเองแต่ท น, นความอิสระใช่มันจะตัดของมันเองต่อมาที่ที่ผมทำครับอค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ่าหลวงพ่อค่ะก็ ฟังโยมนะก็มีความละเอียดเนาะได้เห็นสภาวะได้พิจรารณาแล้วก็เป็นปัจจตังในการรู้การเห็นตามที่เล่าให้ฟังนะอันนั้นก็คิดว่าก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังแต่ก็มีอีกหลายส่วนที่ที่ยังไม่เล่าเพราะว่ามันก็คงเยอะแล้วลนะการปฏิบัติเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะธรรมะที่ จุดเด่นที่เป็นจุดหลุดพ้นคือต้องเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ธรรมะปัจจุบันก็คือว่าต้องรู้ตัวเรารู้เราว่าเราอะมันเป็นสังขารทั้งทั้งแท่งเลยนะแต่รู้เป็นความหลุดไปพ้นไปนะเพราะนั้นคาว่ารู้เราที่เป็นปัจจุบันนะที่มันเป็นแบบขณะจิตเลยก็คือคำว่ารู้เราก็คือมันครบอ์ของธรรมนะเราก็คือสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ส่วนรู้ที่เป็นปัจจุบันเป็นรู้ที่พ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากสังขารปรุงแต่งนะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นรู้วิมุตต์หลุดพ้นนะสู่วิมุตต์ทีนี้การปฏิบัติก็สิ่งที่สาคัญก็คือเนี่ยต้องถึงจะมีความรู้ในอดีตเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นเป็นแค่ความจำได้เคยเห็นเคยผ่านเป็นประสบการณ์ว่าเคยเห็นเคยผ่านนะเคยเข้าใจชัดเจนในขณะนูน้น แต่ว่าอันนั้นมันไม่มีอยู่จริงแล้วเพราะนั้นตรงนี้ต้องเน้นเรื่องปัจจุบันขณะว่าจะรู้อะไรมาก็ตามนะพึงมองให้ออกว่าถ้ายังเป็นเรารู้นะเราเป็นผู้รู้แล้วเอามาบอกเอามาเล่าเนี่ยตรงนี้ให้เกิดสติปัญญารู้เท่าทันว่าความรู้ที่ที่พูดได้ที่เล่าได้เนี่ยมันเป็นความรู้ปลอมทำไมจึงเรียกว่าความรู้ปลอมเพราะว่ามันยังเป็นสังขารปรุงแต่งนะแล้วก็ยังไม่เที่ยงอยู่ แต่รู้จริงรู้แจ้งที่เป็นสัจธรรมแท้เนี่ยต้องไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนก็คือว่ามันมีแต่รู้เฉยเฉยมีแต่รู้เท่านั้นไม่เป็นอื่นนะไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นคือมันหมดคําพูดอ่ะเออพวกเราก็อย่างยมหรือน้อยก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะว่ารู้ที่ไม่ปผงแตกเนี่ยเป็นรู้รู้ที่แบบหยุดเลยคือหยุดคําอธิบายทั้งหมดนะแต่เราในฐานะที่เป็น ก็เรียกว่ามาพูดคุยมาเป็นกัรลยาณมิตรกันมันก็จําเป็นต้องต้องพูดนะแต่พึงเข้าใจว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปลอมหมดเลยนะแต่ก็อาศัยรูปลอมนี่แหละเพื่อเข้าถึงรู้จริงนะอะไรนะถ้าสมมติว่าแจมแจ้งแจมแจ้งอย่างที่ที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้จริงๆมันก็คือมันจบการศึกษาได้เลยเพราะว่ามันสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นรู้สังขารคือรูปลอมรู้ไม่จริงอ่ะนะ แล้วก็มีปัญญาถึงท่านที่ว่ารู้จักรู้จริงแท้ที่เป็นสัจธรรมคือรู้ที่นิ่งเป็นบ้ายรู้ที่ไม่มีคำอธิบายใดๆนะมีอยู่รู้อันนั้นนะ่มันเป็นรู้วิมุตตหลุดพ้นคือคือมันพ้นจากโลกและคือมันตปนโล ก, กุตตะลัไปแล้วเนาะคิดว่าเข้าใจไม่ยากแล้วแหละเพราะว่าระดับนี้แล้วแหละแต่ที่พูดตรงนี้ก็คือตอกย้ำตรงที่ว่ารู้ปัจจุบันทนาันนั้นนะคือคือที่สุดแห่งทุกข์ของมัน ส่วนที่ผู้กําลังศึกษาอะไรก็ยังต้องอธิบายอะไรอีกเยอะเพราะว่ า, ายังหลงอย่างน้อยยังหลงตั้งแต่นู่นเลยหลงตั้งแต่สิ่งถูกรู้อ่ะที่เป็นสังขารทั้งหลายนะยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนอยู่เลยแล้วก็ส่วนผู้รู้ตัวปลอมก็ยังไม่รู้จักนะเพราะฉะนั้นไอ้รู้จริงแท้เนี่ยก็ก็ต้องไล่มาตามลําดับเนะเาะอไล่มาตามลําดับตั้งจะเข้าใจได้อีกหนึ่งเลยนะอีกเช่นว่า ตอนนี่ผมเดินใช่ไหมตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดแล้วผมไปเหยียบหอยก็ดีไปเหยียบอะไรตายก็ดีแล้วผมรู้สึกผิดรู้สึกว่าทำบาปซะแล้วรู้สึกว่าบาปรู้สึกว่าเออเราไปฆ่าเขาโดยแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียบแต่ว่ามันมืดมันไม่เห็นไปเหยียบตายเหยียบตายเป็นสัตว์เในไรต่างๆก็งพอดีแต่รู้ตัวคือมันตายซะแล้วเนออผมรู้สึกผิดจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเออความรู้สึกผิดนี่เกิดเกิดขึ้นอ่ะพี่เรารู้สึกผิดมันมันใจหมองเนี่ย จากนั้นผมก็ลืมความรู้สึกผิดนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วผมก็รู้สึกสบายใจเอ๊ยอย่างนี้มันมันมันมันทําให้ผมให้มันลืมมันซะความรู้สึกผิดนั้นมันเป็นแค่สัญญาเพราะว่าสัญญาเก่าผมคิดอย่างนี้เนะี่ยสัญญาเก่าคืออย่างเช่นว่าทําบาปแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นบาปแต่ว่าแก้ไขไม่ได้แต่รู้สึกมาถึงปัจจุบันที่ผมอยู่เนี่ยรู้สึกว่าไม่โอเคเราเได้ทําบาปไปแหละแต่เรารู้สึกไม่สบายใจจากนั้นผมก็มาคิดขึ้นได้ว่า การรู้สึกไม่สบายใจในสัญญาในะสัญญาไม่ใช่เหราใช่ไหมก็ไม่รู้สึกในไม่รู้สึกสบายใจในสัญญาเนะี่ยมันไม่ได้มีคุณต่อเราเลยมันมีแต่โทษฝ่ายเดียวมันทําให้โทษในปัจจุบันเนี่ยมันทุกข์ผมก็เลยไม่รู้สึกผิดมันเลยอันเนี้ยผมทําถูกไหมฮะอืมดี๋อต้องแยกเป็นสองส่วนอีกมั้งอืมส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งถูกรู้คือความรู้สึกก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปรากฏแล้วรับรู้ได้นะตรงนีลง้ลองฟังให้ดีนะ ความรู้สึกที่ที่โยมเล่าอ่ะรู้สึกว่าผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็รับรู้ได้นะแต่จริงอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าซึ่งขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วตามที่เข้าใจกันไม่ว่าจะรู้สึกแบบไหนมันก็คือความรู้สึกแล้วก็ไม่เที่ยงเกินดับเหมือนกันนะแล้วก็พอรับรู้เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆมันก็คือวิญญาณขันเนาะรับรู้ถึงความรู้สึกที่มีวิญญาณขันมันก็เป็นขันห้านะ แต่ทีนี้ด้วยที่บางทีสติปัญญาเนี่ยมันยังก็อย่างว่าต้องยังพัฒนานยังต้องอบรมเนาะมันก็กลายเป็นว่าความรู้สึกชนิดนั้นอนะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันมีเห็นไหมมันจะมีตัวเราอยู่ตัวเราไม่อยากให้มันมีเราไม่อยากให้มันเกิดนะทีนี้ไอเราเนี่ยแล้วก็ไอที่ผู้รู้ความรู้สึกจริงจริงมันก็เป็นวิญญาณ น, น่าขานันแต่ก็ไปหลงยึดว่าเราเรารู้ว่ามันยังมีความรู้สึกอย่างนั้น แล้วตรงเนี้มันก็ความคิดเนาะมันก็วุ่นวายในกับเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยจัดการยังไงอย่างที่โยมเล่าว่าล้วเนาะมันก็วุ่นวายแต่กระบวนการทั้งหมดทั้งเส้นนี้คือคือขันห้าหมดเลยแต่จริงขันห้าเนี่ยมันการทํางานของขันห้าก็คือเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติปกติถ้าเพียงแต่ว่าไม่มีผู้ไม่มีความหลงยึดนะว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็เป็นแค่ขันห้าปกตินะอืม แต่ถ้าพอหลงยึดเมื่อไหร่ปับ๊บมันก็จะหาทางออกมันจะหาอย่างโ้นอย่างนี้นี่ากับว่าตอนนี้เราเนี่ยเป็นอวิชชาที่ที่ถูกครอบงำชนิดที่ว่ายังออกไม่ได้นะแต่ถ้าออกได้ก็ง่ายนิดเดียวก็คือว่ารู้ตัวปัจจุบันว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ถามเนี่ยที่ถามแล้วก็มีข้อสงสัยเนี่ยมันเอ่อมันก็ต้องต้องเป็นเราแหละใช่ไหมเออมันเป็นเราที่ยังมีปัญหายังติดข้องเลยมาถามหลวงพ่อ แต่นี้ถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าไอ้ที่ความเป็นเราเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่กําลังถามอ่ะจริงๆรอ่ะไอเราเนี่ยมันก็เป็นตัวตัวปลอมอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเพราะเราจริงๆไม่มีนะพอเราจริงๆไม่มีแล้วถามว่าอะไรที่จะรู้ตัวเราได้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละคืออะจะเรียกว่าสติสัมปชัญญะก็ได้หรืออะไรก็ได้มารู้ตัวเราในปัจจุบันและรู้ว่า ตัวเราเนี่ยจริงๆก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้อย่างหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นพอตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วความเป็นตัวเราก็หายจ้อยไปเลยหมดเลยงั้นใช้หลักรู้ปัจจุบันอืมไม่รู้งกวนตรงนี้รู้ตัวก็เนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวตัวตัวตัวเราคือตัวโยมเนาะตัวโยมเนี่ยตอนเนี้ยมันมีตัวก็คือขาหน้านั่นแหละแล้วก็กําลังฟังหลวงพ่ออยู่ก็รู้ตัวเนี้ยว่าตัวกําลังฟังนั่นแหละตัวเนี้ยเป็นแค่ตัวปลอมเป็นแค่สิ่งไม่จริง เพราะยังเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มันมีอีกรู้หนึ่งไงที่หลวงพ่อพูดถึงว่ารู้ที่มันเหนือความปรุงแต่งที่มันเป็นรู้ที่ที่ไม่ปรุงไม่แต่งเป็นรู้ที่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจรู้ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยมันรู้อะไรก็ตามก็ได้สักแต่รู้ไปไม่ได้ตึกข้องไม่ได้อะไรแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าหล่อะไรเนะมันก็เป็นเราใช่ไหโอ้ยเรายังคาเรายังไม่เข้าใจเรา อันนั้นก็เป็นเราวันนั้นเห็นเราซิรู้เราซิมันก็พ้นเราอะรู้สึกผิดนี่คือที่<ม>รู้สึกความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกอมันมันทําบาปไปนะฮะห้ามไม่ได้ความรู้สึกห้ามไม่ได้เป็นสังขาร <c oughs> คุณแตงสังขาร <c oughs> จากนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกไม่เป็นเป็นอนัตตาเนี่ยอ่าไอ้ที่ผมรู้สึกนี่นี<ไ>่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอ้ที่ผมรู้สึกอ่ะคือตอนเนี้ยมันมีสองส่วนนะมีความรู้สึกอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีผมนะ ผมเนี่ยคือ ต, ตัวตนเลยแหละเออตัวตนทีนี้หลวงพ่อก็กาลังจะชี้ว่าอย่าอย่าไปสนใจเรื่องความรู้สึกแต่ให้รู้เท่าทันว่ามันมีตัวผมอยู่ให้เห็นตัวผมให้รู้ว่ามีตัวผมแล้วก็มันก็มีปัญญาตรงที่ว่าไอตัวผมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวผมหรอกมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้อย่างเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับสิ่งถูกรู้อื่นๆนั่นแหละ อเข้าใจครับขอบคุณครับเออตรงนี้ต้องให้คมชัดนะแล้วจะเข้าใจปิ้งเลยว่าเออว่า think, ไอ้สิงไอ้ไอเศ้าหมอไอ้ตัวนั้นมันก็อีกตัวนึงแล้วเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วเรายุ่งกับไอ้ตัวนั้นมากเลยอะ่ะเราอ่ะเราเราเราเร า, เราแล้วก็มารู้เราเสีะมารู้รเราเพราะคือความรู้สึกมองอะไรต่างมเป็นอาการผงแต่งใช่ไหมฮะใช่ๆช่ใช่แล้วก็กลับมาคล้ายๆแบบ ค่า้ายคล้ายคณิกะสมาธิเบื้องต้นใช่ไหมที่หลวงพออ่อฟังจริงๆอ่ะก็คงไว้ขนาดนะเป็นการคณิกากาาราะด้หลวงหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่ออุปมาอุปไมยนะสมมติว่าโยมโยมสมมติว่าโยมอยู่ที่บ้านเนาะโยมอยู่บ้านเฉ ย, ยๆเนี่ยแล้วก็เห็นมีคนเดินผ่านมาหน้าบ้านใช่ไห ม, อมตอนเนี้ยมันจะมีมีคนเดินผ่านหน้าบ้านคนหนึ่งแล้วก็มีตัวโยมคนหนึ่งทีนี้ทีนี้เวลาเราไม่รู้ตัวเนี่ยก็เท่า ก, กับว่าเราเนี่ยเห็นแต่คนเดินผ่าน แล้วเราก็พูดวิพากวิจารเนาะว่าคนเดินฐ่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไงนะฮะเราก็พูดวิพากวิปวิพากวิจารณ์ไปแต่เราลืมตัวเองอะว่าเราเนี่ยเป็นผู้เห็นเขาเราเนี่ยเป็นผู้ไปยุ่งกับเขาหลวงพ่อก็บอกว่าเอออย่าไปยุ่งกับเขานะแต่ให้รู้ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยกําลังพูดกําลังบ่นอยู่เนี่ยแล้วก็เมื่อเห็นตัวเองปั๊บเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวและพอเป็นความรู้สึกตัวถ้ามันมีปัญญาเนี่ยมันมันเผาไหม้หมดเลยว่าไอตัวเราเนี่ย ที่ไปเห็นเขาเนี่ยไอยตัวเนี่ยคือสังขารสังขารทั้งยวงเลยคือมันไม่ใช่ตัวตนอะไรเลยแล้วพอรู้ตัวปั๊บแค่นี้ยมันก็สลายความเป็นตัวตนก็คือว่าถึงมันมีอยู่แต่ก็มันไม่ใช่เรา <c oughs> ตัวที่ไปรู้เขาว่าถึงมันมีอยู่ก็ไม่ใช่เราที่แพ้จริง <c oughs> มันเป็นของเกิดครับ <c oughs> ดึงสติกลับมาได้ถูกต้องเนี่ยสติร ะ, ะลึก<ล> <c oughs> ที่หลวงพ่อบอกคนส่วนมากเนี่ยจะไปยุ่งกับอารมณ์ไปยุ่งกับอไบอสิ่งที่มัน มันอีกสิ่งหนึ่งไงแต่ลืมตัวเองไปว่าเราเนี่ยไปยุ่งกับเขาเหลือเกินอแต่เราไม่รู้เราอะค่ะสมมติว่าคุณเป็นแซนเยียบหอยทากใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เอียบไปแล้วใจมันคิดใช่ไหมคะความคิดก็มาแล้วความรู้สึกอดบาปบุญอะไรมาแต่ลืมเลยคะ่ะใจยังรู้สึกคิดนะ่ะคิดบาปบุญขาอย่างเดินอยู่เลยคะ่ะ จึมดูค่ะขาเพามัวแต่ไปหลงเพลินไปดูอีกสิ่งหนึ่งแต่ขาตัวเองที่ก้าวมนทําไมไม่รู้สักทีตรงเนี้ย <c oughs> ท, ที่ที่หลวงพ่อ ก, ก็เคยเคยพูดเป็นประจำว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ผิดตัวรู้ผิดผิดตัวคือแทนที่จะรู้ไอตัวที่รู้ให้ถูกอะ่ะมันดันไปรู้ตัวที่ผิดคือไปรู้สิ่งอื่นเสีย แทนที่จะรู้ตัวเองรู้ขาเนี่ยมันไม่รู้แต่ไปรู้แไอ้เรื่องหน่อยๆจําตรงนี้ดีแล้วไปพัฒนาต่อยอดนะโยมมันจะไปได้เร็วเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของสติที่มันคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วก็รู้ถูกตัวแล้วมันเป็นสัมปันชัญญาด้วยเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อวานเมื่ครับที่ที่ธรรมะย้อนหลังนะฮะผมมาฟังหลวงพที่พูดเกี่ยวกับการทําสมาธิสมาธิเบื้องต้นกับพุทโธคำภาวนาหลังจากภาวนาจะมีซ้อนมาข้างหลังเนี่ยผมเคยเห็นตัวนั้นนะฮะว่าเอ๊ะ ใช่มันเหมือนข้างหลังลผมเคยเจออย่างนั้นพอดีโอ้ผมก็เลยฟังยาวใช่ไหมมันเหมือนได้เลยใช่แล้วมันมันจะไม่มีคำค้านมันจะบอกว่าใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ถูกไปแบบก็มันจะเป็นประมาณนี้ฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมนถึงใช่แล้วก็ถูกถู ก, ถกแล้วก็ใช่ผมน่าจะเคยเข้าสู่สเสวยในตัวนั้นมาก่อน คือจริง<ม>สภาวะเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าไปพบมาที่มาสอนพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งหมดเพียงแต่ว่าท่านไปพบแล้วก็มาบอกพวกเราไงทีนี้พอมาบอกนาะสมมุติว่ามีเพราะว่า พ, พ, พ, พ, พระพุทธเจ้าพูดไม่ได้แล้วไงขันห้าดับไปแล้วก็ถ่ายทอดโดยประไตรปดกบ้างหรือว่าผู้รู้เนี่ยเขาก็มาพูดเรื่องเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แล้วหมดเลยนะไอ้ที่รู้เราไอ้เรารู้เขาก็มีอยู่ไอ้ความหลงความรู้มีครบ แต่ว่าเออตรงไหนที่มันรู้แล้วมันพ้นทุกอะไรเนี่ยที่มาเจาะกันตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เกินจากร่างกายจิตใจหรอกแล้วก็สิ่งธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่มีตัวตนมันไม่ปรากฏตัวมันก็มีอยู่รู้อยู่ก็จะเข้าใจได้อย่างเมื่อกี้มีประโยคที่ที่โยมใช้คําว่าผมเห็นนะผมเห็นว่ามันเออมันมีอีกตัวหนึ่งนะผมเห็นว่ามันมีอีกตัวแค่แค่มันอยู่ข้างหลังอะไรประมาณเนี้ยนะไอ้ตรงเนี้ยประโยคแบบนี้นะให้ทําความเข้าใจด้วยนะไว้ว่ายังมีผมอยู่เนาะผมเป็นผู้เห็นเนาะ เพราะนั้นให้เกิดสติปัญญาและลึกได้ในปัจจุบันว่าเมื่อกี้ที่พูดไปแบบเนี้ยผมก่อนนะหลงว่าเป็นผมแล้วก็รู้ทันพอพอรู้ทันปับ๊บไอตัวผมก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาว่าเอ๋อไอตัวผมนี่เห <c oughs> <c oughs> มือนกับเหมือนกับว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวผมในปัจจุบันน่ะในตรงนี้ดิหลวงพ่อพูดเนี่ยเข้าใจเข้าใจเออดีลนะดีลนะอันนี้ห <c oughs> ลวงพ่อขอถามปัญหาตอนตอนนั้นเนี่ยคือที่เมื่อก่อนผมดังผมไม่ได้ขบวนาอะไรเลยเนะี่ยตอนครั้งแรกที่ผมนั่งสมาธินาน ก็คือนั่งไปงั้นแหละนั่งนั่งอยู่ๆมันก็เข้าไปที่จุดๆหนึ่งที่มันหูดับอะแล้วผมไม่ได้อีกเลยได้ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะเข้าสู่จุดนั้นมันเข้าไม่ได้แล้วหรือว่ามันจะมีวิธีเข้ายังไงออย่างนี้นะคืออธิบายอย่างนี้นะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเคยเกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยพบเคยเห็นเนี่ยพวกนี้มันเขาเรียกว่าเป็นของ แค่เคยเคยพบเคยเห็นแล้วก็มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นคือมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองแหละแล้วก็ก็ต้องย้ําอีกว่าเป็นสิ่งที่เคยพบเคยเห็นมันเป็นประสบการณ์นะบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นมันก็เป็นเรื่องของใครของมันแต่สิ่งที่เท่ากันก็คือว่าใครจะเห็นก็ตามแต่สิ่งนั้นต้องดับแล้วหมดเขาเรียกว่าหมดแล้วมีแล้วก็หมดไปถูกไหมแต่สิ่งที่เป็นสําคัญมากที่สุดก็คือว่าใครเป็นคนเห็นสิ่งนั้น เพราะว่าคนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยย้อนมาที่ผู้เห็นว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้เห็นสิ่งสิ่งนั้นและออกมาเล่ามักจะไม่ค่อยเห็นตัวเราตัวเนี้นี่คือจุดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้รู้ตัวเราที่มันเป็นผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละว่าไอ้ผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยจริงๆมันก็คือสังขารตัวหนึ่งเหมือนกันที่เป็นถูกรู้ถูกเห็นแล้วมันก็ดับไปเหมือนกัน ทวนก็ได้เมื่อกี้โยมเล่าเนาะโยมเล่าเหตุการณ์อนเรื่องนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อไอ้นั้นอะ่ะมันเป็นแค่สิ่งที่เคยมีมเคยเห็นแล้วก็มันก็หมดแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วแต่ทีเนี้ยพอมันดับหมดแล้วเนี่ยมันก็มีที่มันจะมีผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาผู้รู้ผู้เห็นคนนั้นคือใครอ่ะก็คือเราแหละเพราะว่าเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้ให้หลวงพ่อฟังอ่าทีนี้ก็ถกว่าอ๋อนี่มันยังมีผู้รู้คาอยู่นี่ ผู้รู้ผู้จำ嘛นะแล้วก็มาพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยมันมันยังคาเป็นเราอยู่ไงแต่ทีนี้ถ้าเห็นตัวเนี้ยไอตัวที่มันเป็นเราเป็นผู้รู้เนี่ยก็จะพบว่าแท้จริงมันก็เป็นสังขารที่ไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยตัวที่จะละวางปล่อยวางมากที่สุดก็คือไอตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้จำได้ที่เอามาเล่าเนี่ยต้องวางตัวนี้ มันมีอยู่เนี่ยแต่ว่าวางเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงมันต้องแตกสลายมันต้องตายหน้าเปื่อยผุพังใช่ไหมล่ะไอตัวเนียตัวโยไม่แหล่ะไม่ใช่ตัวใครหรอกเห็นตัวโยเห็นตัวเองเห็นแล้วรู้แล้วก็คือสิ้นยึดเพราะว่ารู้ว่ายึดไม่ได้นี่ตรงนี้มันเป็นยอดของวิชาดับทุกข์เลยนันีลสงสัยใจว่าเอ๊ะมันในเข้าได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีอีกเลยนั่งสมาธิก็ไม่ใหม่เลยนก็หายก็สงสัยนึกออกไหมคําเนี้ยผมก็สงสัยนี่ตัวเราใช่ไหม เอ<ต>เอเห็นไหมผมเนี่ยสงสัยกับเหตุการ์มันมีเหตุการณ์แล้วก็มีตัวผมหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าดูแต่เหตุการณ์นะให้ดูตัวผมคือดูขาตัวเองไ <X 2> <X 2> ง, งของหลวงน่อหนึง<ต>่งด<ห>ีไหมไม่รู้มาที่ขาตัวเองก็คือรู้ที่ผมแล้วก็พอรู้เสร็จแล้วก็คือปล่อยวางคือไม่ไม่ยึดถือตัวผมผมไม่ได้ยึดถือว่ามันเป็นอันน้รนะแต่ว่าเหมือนคล้ายๆว่า ไข่เอ๊ะสงสัยเหมือนเอ๊ะคือมันไม่มีอะไรทําแล้วก็มาเอ๊ะดูอะฮะแต่ถ้าผม<ช>ผม<ช>อยากเข้าไปไหมผมก็เฉยๆกับมันนแตอไม่ไม่ไม่ไม่ได้อยากยุ่งอะไรกันละแต่ว่าเล่าได้แต่หลวงพ่อก็คือเหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ําเผื่อว่าเอาถ้าถ้าสมมติถ้าหลงใช่ไหมจะได้จะได้ไม่หลงแต่ถ้าไม่หลงอยู่แล้วก็<ช> <ๆ S 1> วก็เป็นเรื่องปกติที่เรามาเล่าเรื่องอดีตกันผมเคยเคยเจอหลายคนบอกว่าเข้าไปครั้งเดียวแล้วออกมาไม่ได้อีกเลย ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ทุนคนเดียวหรอกผมก็เป็นใครก็ป็นอย่างต้องมองอย่างนี้ตีว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเนาะคือถ้าถ้าเราเข้าได้เราบังคับได้มันก็เป็นอัตตาเพราะฉะนั้นที่เข้าไม่ได้เนี่ยมันกําลังแสดงความจริงให้ยูให้ดูอยู่ <c oughs> ว่าเออเราจะไปจะไปทําอะไรให้ได้ตามใจหวังนะหมดสิทธิ์เนี่ยมันก็สอนให้เกิดปัญญาหมด <c oughs> ถ้าใครมีประสบการณ์นะมาพูดมาเล่าเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์เพราะว่าในในตรงนั้นเนี่ยบางทีมันมันต้องมีความหลงแน่นอนอ่ะ S 2> <S 2> <S เพราะว่า <S <S 2> <S 2> คือถ้าไม่หลงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเคขาเรียกว่าบรรลุธรรมเนาะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอระหันต์เนี่ยแต่ทีนี้มันไอความหลงไอความไม่รู้เนี่ยมันมีอีกมากเลยมากจริงๆที่เขาเรียกว่าเอาวิชาซึ่งซึ่งรู้ได้ยากเนี่ยอวิชาคือความไม่รู้แต่ความไม่รู้เนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะฉนั้นเราก็เอาแค่เป็นเคสๆ เ, เป็นเรื่องๆมามายกขึ้นมาว่าเนี่ยไม่รู้เช่นไปเหยียบหอยมาแล้วก็ดูแต่หอยแต่ไม่รู้ขาเนี่ยอืม คืแทนที่เขาจะให้รู้ขาเนาะไม่รู้สักทีแต่ไปรู้แต่หอยเนี่ยก็เลยมันผิดตัวก็เป็นเอาวิ่งไม่ดีอ่ออยากเรียนถามท่านอาจารย์เขาอย่างสุ่ ว, ว่าเวลาที่ เ, ออเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมันจะหายไปอะ่ะอันนี้มันใช่หรือเปล่าะหลวพ่อคือถ้ารู้ถูกต้องจริงๆนะรู้ด้วยสติปัญญามันหายจริงๆคือมันมันหายไปแบบไหนนะหลวงพ่ออุปมาอุปมาว่า เเป็นอย่างนี้ก่อนไอตอนที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยมันมีความลึกลึกก็คือมีตัวเรานะลึกลึกคือมีตัวเราแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยไอตัวเราเนี่ยมันก็ยังมีอยู่และก็ไม่รู้ด้วยว่ามันยังมีตัวเราอยู่จนกว่าจะรู้ด้วยสติปัญญาว่าไอตัวเราเนี่ยถ้ามันถูกรู้เมื่อไหร่มันจะหายไปจริงๆเลยคือจะหายไปจากความเป็นตัวเราหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้นะสมมติว่า เดินเนี่ยนะเดินในที่ตรงไหนก็ได้แล้วเราไปเห็นใบตองแห้งเนาะตาเนี่ยไปไปเห็นใบตองแห้งแล้วก็เดินแล้วก็เกิดมาพอมันเห็นปับ๊บมันกระโดดโยงขึ้นเลยมันตกใจอตกใจตรงนั้นแหละมันมันคิดไปแล้วว่าเป็นงูใช่ไหมเออแล้วก็มันก็ยังยังเป็นงูอยู่นั่นแหละจนกว่าจะรู้แจ้งว่าไม่ใช่งูแล้วความไอตัวไอความเป็นงูก็หายไปก็หมายถึงว่าคณะ ขณะแรก ท, ที่ตาไปเห็นเนี่ยเห็นแบแบแวมๆเนี่ย แ, แ, แ, แ, แ, แล้วก็เกิดมันสัญญาผิดเนาะมันจาผิดหมายผิดก็ไปไปหลงว่ามันเป็นโงูแล้วก็มันก็ปรุงแต่งอย่างเร็วเนะเลยกระโดดโยงเลยแถมยังออกเสียงอวยว่าฟุดกริดไว ๆ, ๆก็ว่าไปแต่ทีนี้พอกลับมาดูใหม่เอา้ามันเป็นใบตองแห้งเนี่ยเห็นไหมความเป็นงูหายไปแล้วก็จะเห็นอันใหม่ก็คือว่ามันก็เป็นใบตองแห้งคือไม่ใช่โงูเพราะฉะนั้นการเวลารู้สึกตัวเนี่ย มันก็เหมือนกันไอตอนที่ไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นเราเป็นเราโดยโดยในที่มันลึกๆึกว่าเป็นเราแต่พอรู้สึกตัวปั๊บมันจะเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดเป็นความใช่เข้าใจถูกไปเลยว่าใช่เราถามว่าถ้ามันไม่ใช่เรามันคืออะไรมันก็คือขันห้าใช่ไหมมันหนีขันห้าไม่พ้นหรอกเพราะว่าคนคนเราที่ประกอบกันก็คือมีแค่ห้าขัน พอเห็นตัวเราบั๊บมันเข้าใจด้วยปัญญาอันสุดยอดเลยเข้าใจแบบไม่ต้องมาพูดมาท่องว่าคือขันห้าคือมันเข้าใจไปเลยอะว่าไอาสิ่งที่นั่นอะคือมันมันไม่ใช่เราเนี่ยมันพ้นจากความเป็นตัวเราแบบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยไม่ต้องมาแยกทีละขันเลยอมันพุ่บไปเลยท่านหลวงก็จะยกตัวอย่างสมมติใช้คําว่าผมนะผมเนี่ยผมเห็นอาการอาการจิตเศร้าหมองเหมือนของโยมเมื่อกี้เนาะ ผมเนี่ยเห็นอาการของจิตเศร้าหมองมันเศร้าหมองแต่ผมอ่ะไม่อยากในหะ้มันเศร้าหมองอะ่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ชี้เห็นว่าเป็นสองสิ่งคือสิ่งหนึ่งคืออาการเรียกว่าความเศร้าหมองแต่อีกสิ่งหนึ่งตัวผมคือจริงๆตัวผมไม่มีหรอกแต่ว่าด้วยอวิชชานี่แหละด้วยความไม่รู้เนี่ยตัวผมไม่รู้มันมาอย่างไงไม่รู้มันมาอย่างไงแต่อยู่ๆมันก็เป็นตัวผมขึ้นมา แต่จริงๆไอ้ตัวผมเนี่ยมันมาจากไอ้ตรงที่รู้นั่นแหละรู้ว่าจิตเศร้าหมองคือจิตเศร้าหมองก็อันหนึ่งแล้วไอ้รู้เนี่ยก็อันหนึ่งจิตเศร้าหมองก็เป็นอาการเป็นเจตสิกใช่ไหมเป็นอาการแล้วก็ไอ้รู้เนี่ยคือจิตวิญญาณขันเออมันก็ไปรู้พอไปรู้เสร็จแล้วเนี่ยด้วยอวิชชาเนี่ยไปยึดไปยึดเจิตมาเป็นเราคือเรารู้เรารู้ว่าจิตเศร้าหมองตรงนี้อวิชชาเลยนะอ่า แล้วก็พอมาตอนหลังมีหลวงพ่อจริงจริงหลวงพ่อก็ทักว่าเอออย่าไปยุ่งแต่ไอจิตเศร้ามองนี่มารู้ตัวเนี่ยรู้ตัวคือรู้ตัวไหนก็คือตัวเราที่เป็นผู้รู้จิตเศร้ามองนั่นแหละที่บนวอยวายอยู่นั่นแหละพอรู้ตัวปับป๊บบอกวตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้รู้ผู้บนผู้ภาคเนี่ยผู้ผู้อะไรก็ผู้อยากทั้งหมดเน่ะมันอยู่ในซิกเนี่ยพอเห็นปับ๊บมันเหมือนกับมัน ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยกลายเป็นถึงสิ่งถูกรู้ในในขณะที่รู้สึกตัวมันก็เลยแยกแยกแยกอีกทีหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้ก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้แต่ไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นทั้งสติเป็นทั้งสัมปชัญญะในนั้นน่ะจริงๆก็จะเรียกว่าองค์ธรรมอะครบหมดก็ได้เออคือองค์ตัตรู้อ่ะองค์ความรู้อ่ะพอมันรู้ตัวเราปั๊บ มันก็เห็นว่าตัวเราเป็นแค่สิ่งถูกรู้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งถูกรู้ทั่วไปอะไรเหมือนกับรูปรสกลิ่นเสียงโพ้สะพาธรรมอารมณ์ต่างๆแล้วรู้เนี่ยรู้เนี่ยไอ้รู้ที่หลวงพ่อพูดถึงน่ะที่มันมันได้แต่รู้ น, นะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันก็เลยสลัดออกมาจากสิ่งถูกรู้คือมันพ้นไปพอพ้นไปเสร็จแล้วก็ตัวเรามันอยู่ตรงไหน่ะตัวเราก็ไม่มีสิแต่ที่มีอยู่ก็คือสิ่งถูกรู้แล้วก็มันก็หายหายมันก็ดับไปประมาณนี้ การเข้าใจต้องเกิดจากการอธิบายเนาะฟังหวนวเดียวอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์สักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะโอเคเขะจ้ะมดที่ยุ่งเราเนี่ยตัวเราหายไปโยมสงสุว่าไี่ตัวเราไหนแต่มันคือความหลงผิดที่คิดว่ามีตัวเรานั้นมันมันหายอืมถูกพูดแบบนี้ก<น>็ถูกตัวเราเมไม่ไมีตั้งแต่แรก แล้วอ้ไอ้ควาตรงนี้มันไม่ใช่ของของของใครเพราะว่ามันไม่มีตัวเราที่เข้าไปรับรับเออ่ความรู้ตรงนั้นแต่ว่ามันก็เป็นของธรรมชาติไปอย่างนี้แล้วเปล่าคะอืมจ้า ก, ก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าขนาดที่รู้ตัวเนี่ยมันขนาดจิตเดียวคือแบบสั้นที่สุดนิดเดียวที่สุดอน่ะ ซึ่งมันจะเห็นด้วยเขาเรียกว่ามันเห็นด้วยเป็นปัจจตังคือถึงแม้ว่าจะระยะที่มันที่มันเกิดขึ้นสั้นนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเห็นได้น่ะมันเห็นได้แล้วก็อธิบายได้ตามที่เห็นมันไม่ใช่ว่าสั้นนิดเดียวแล้วไม่รู้อะไรคือมันสามารถที่มันก็แปลกนะเหมือนกับว่าแค่ขณะจิตเดียวแต่สามารถรู้แจ้งได้ว่า เออไอ้ความหลงไอ้ความหลงผิดที่เกิดตรงนั้นนะมันมันดับไปมันหายไปแล้วก็มันเป็นปัญญาที่รู้แจ้งว่าต้องอธิบายเป็นยาวๆไงแต่ว่าตอนที่มันเกิดจริงไมันติดเดียวแค่นั้นแหละเรื่องที่เนี่ยถึงพ่อบอกว่ามันบางทีเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากแต่ก็ไม่เกินวิสัยหรอกเนาะมึงก็เคยบางทีนะบางเรื่องนะที่ที่เราอธิบายเนี่ยหลวงพ่อเคยเคยเล่นเล่นกันนะสมมติเราหลวงพ่อจะตบมือนะแพะเดียวนะสมมุติเนี่ยขณาดจิตเดียวแบบเนี้ยสั้นๆแบบเนี้ ถ้าจะอธิบายสภาวะธรรมในสิ่งที่เกิดนะโหยาวมากเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยทั้งสิ่งเกิดทั้งสิ่งดับทั้งสิ่งถูกรู้ทั้งผูร้รู้ทั้งทุกข์ทั้งความไม่ทุกข์อธิบายเรื่องไหนก็ได้แค่แค่เนี้ยตบมือทีเดียวแล้วมีเสียงดังเนี่ยอธิบายอ่ะโอ้โหไม่รู้อะไรมากมายแต่ทีนี้ธรรมะแท้เนี่ยจึงไม่ต้องอธิบายก็คือเมื่อรับทราบจิกเดียวแค่นั้นแหละก็คือจบแล้วแต่ว่าถ้าอธิบายให้คนอื่น <logically. S 1> รับรู้นะโอ้โหมันยาวเยอะ <America> ก็นี่แมันชีวิตคนเนาะมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเคยชินเป็นนิสัยที่สะสมมาคือรู้แต่สิ่งที่อยู่ไกลแต่ของอยู่ใกล้เนี่ยต้องมาฝึกไงต้องมาฝึกเช่นร่างกายอันนี้ผมก็พูดพอให้พอเข้าใจเนาะร่างกายเห็นรนะ่างกายก็อยู่อ ย, อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตัวเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์โหมันอยู่ในใจเลยอะ แล้วใจเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏไม่มีอะไรเนาะเออมันก็อยู่ติดกันเลยมันอยู่ที่เดียวกันแต่ใจมันมองไม่เห็นแต่ใจเนี่ยไปเห็นไอคนที่เดินไอโน่นไอโน่นที่อยู่ไกลๆอนะมันไปโน่นหมดเลยอะไปโลกข้างนอกหมดทีเนี้ยเลยจําเป็นต้องมาฝึกรู้กายาวานาคืบเนี่ยเพื่อให้เห็นธรรมชาติที่มันอยู่ใกล้ๆเรียนรู้ธรรมชาตินี้ว่าธรรมชาติเนี้ยมันเป็นไปอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นอัตตาหรือมันเป็นอนัตตามันเป็นความงามหรือเป็นความไม่งามอ่านี่นี่ถ้ายกประเด็นหนึ่งนี้มันก็มีเรื่องให้พูดอีกคือไอ้ความวิปลาสไอ้ความที่เข้าใจผิดนี่นะสี่อย่างผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเห็นของที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นทุกข์ว่าสุขเห็น อนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะเห็นผิดไปว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเห็นของที่ไม่งามว่างามนี่มันตรงข้ามกับที่คนทั่วไปเขาเห็นกันหมดเลยนะทีนี้ถ้าเรามาเรียนรู้พระสัจธรรมเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเออไอของที่เห็นว่ามันมันเที่ยงอะนะจริงๆไม่เที่ยงนะ เออเพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะมาศึกษาเรียนรู้ว่าเออมันไม่เที่ยงจริงหรือเปล่าแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรอ่าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องไยก็บอกว่าเออมันมีแต่สุขพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีแต่ทุกข์อ่าทีนี้มาเรียนรู้ความจริงว่าเออมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่เนี่ยถ้าเราเรียนเนี่ยก็จะรู้หมด แล้วก็ความเป็นอัตตาเนี่ยที่ยึดถือความเป็นตัวตนเนี่ยเหย่อเหลือเกินเนี่ยใหญ่ครับฟ้าเนี่ยนะนี่ถ้าพูดถึงกับจักรวาลเนี่ยตัวกติเท่าคุนได้มั้งอ่าทีนี้พอมาเรียนรู้ตรงนี้ก็จะพบว่าเออจริงๆเนาะของทุกอย่างมันเป็นอัตตาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงมันหมดไปแล้วก็ที่สําคัญคือบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้ต้องสูญเสียพลัดพรากกันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ โอ้ถ้าสั่งได้นะโยมเนาะนิพานเลยสั่งให้เป็นนิพานเลยหรือว่าสั่งให้สุขอย่างเดี้ยเนี่ยของพวกเนี้ยเลยสั่งไม่ได้ก็เลยมาเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงจริงๆแล้วก็จะได้ไม่หลงจะได้ไม่เข้าใจผิดเมื่อไม่หลงไม่เข้าใจผิดตรงเนี้ยก็รู้แจ้งขึ้นมาว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ย อ, อธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยโง่มากเลยไม่ได้เข้าใจอย่างเนี้ยแล้วก็มีทุกข์มาก แต่พอเข้าใจ อ, อย่างเนี้มันก็คลายทุกข์นะคลายทุกข์จากทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเหลือทุกข์น้อยก็เรียนก็ไปอีกจนรู้แจ้งจริงๆอะ่ะเหมือนถ้าถึงอย่างพระพุทธเจ้าเนาะก็คือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เลยแล้วก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วเพราะเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดนี่เป็นเรื่องน่าศึกษามากนะก็ พวกเราก็เข้าใจนะหลวงพ่อก็เข้าใจว่าเป็นคารวะต้องทํามาหากินนะเนาะเลี้ยงชีพเลี้ยงนู่นแต่หลวงพ่ออยากบอกว่าไอ้ตรงนั้นนะมันก็ต้องทําตามหน้าที่อยู่แล้วเนาะแต่ก็อย่าได้ผิดศีลผิดธรรมนะให้อยู่ก็เรียกว่ากายวาจาก็สํารวมให้มันถูกต้องให้มันดีเนาะอย่าไปผิดศีลผิดธรรมเดือดร้อนกนะันเดือดติดคุกกันรบราฆ่าควันมันก็เดือดร้อนถ้าอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมมันก็เ อ, อสมาธิก็ ไม่ไม่ยากเพราะว่ามันใจมันก็สงบ อ, อยู่แล้วแล้วก็ศึกษาให้เห็นความจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงเนี้เป็นปัญญาก็คือทําทั้งทำงานทางโลกไปด้วยศึกษาธรรมะไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติก็คือให้เห็นตรงนี้แหละคู่คู่กันไปนะคู่คู่กันไปเพราะว่าโลกกับธรรมมันก็เป็นของคู่อยู่แล้วแหละก็จะได้ทุกข์น้อยลงในชาตินี้หรืออาจจะที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ไปเลยในชาตินี้ มันเรื่องสําคัญเพราะว่าในชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนในช่วงเนี้ยตายไปเราไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นอะไรนะแล้วก็มันก็เนื่นช้าเล่าๆก็มีโอกาสก็เรียนศึกษาปไปคนน้อยมากนะคนที่เรียนธรรมะให้เกิดปัญญาข้ว อ, อุปมาเหมือนกับว่าขนโคกับเขาโค ะ, ะผู้มีปัญญามากเนี่ยถึงที่สุดแห่งทุกข์จริงอ่ะเท่ากับสองเขาเท่านั้นเองแต่คนที่ เข้าใจไม่ได้อะไรไม่ได้นเท่ากับขนโคลลองเทียบกันดูขนโคมันเยอะแยะเนาะเขามีสองเขาเพราะนั้นมันน้อยจริงๆนะคนที่เข้าถึงฝั่งอะไรเนี้ยถึงนิพพานเนี้ยน้อยมากเลยกนะ็ศึกษาเรียนรู้ละตัวตนละความเป็นอัตตาใชไมไม่มีตัวไม่มีตน